อันนี้จะเทศทถึงเรื่องดูสิ่งต่างๆที่ดูของละเอียดต้องดูดูตาเดียวคือดูสิ่งละเอียดต้องดูตาเดียวแต่ชอบคนเดี่วคนเราแสงไว้สองตาแต่เวลาดูกันจริงๆจรจาจั ง, จงของละเอียดต่อต้องลิบตาหนึ่งไว้ก่อนยิบตาหนึ่งไว้แล้วค่อยดู ถ้าไม่งไม่จัดชอบคนเหมือนคนเราสิ่งทั้งหลายแหละที่มีอยู่ทั่วมดทั้งโลกนี้ดูแล้วก็เอาเถอดถ้าหาดูของละเอียดจะต้องหลับตาคั้งหนึ่งเสก่อนนี้ไดูธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันต้องดูให้ละเอียดดูของละเอียดจะต้องดูครั้งเดียว คือหมายความว่าต้องเพ่งลงให้อันเดียวสิ่งเดียวจึงจะเห็นชัดถ้ายังเพ่งสองตาอยู่ไม่เห็นเช่นสุภาปฏิกูลเราพิจารณาเป็นของปฏิกูลโสโครถ้ายังอีกตาหนึ่ง คืออีกข้างหนึ่งนันเห็นเรื่องของสวยของมดงามมันไม่เห็นหรับต่อเมื่อเพ่งลงหน้าเดียวให้เป็นอุปัาเลยทั้งตัวของเราและตัวงคนอื่นเห็นเรื่องของเปลือยเน่งของปฏิกูลโจโครก จึงจะเห็นชัดคือแพ่งลงไปมันต้องเห็นว่าเป็นอสุภะเห็นของปฏิกูลหนึ่งไม่ใช่ของงดงามของปฏิกูลไม่นานน้อยน่งก็เปื่อยเละงดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เบือ่อได้ไม่สลบกสังเวช นั่งเห็นสองทางสองทางใช่ไหมสรุปทางเวทถ้ามอย่างอื่นก็เหมือนกันจะพิจารณาทำอะไรก็เหมือนกันเบื้องต้นต้องเพ่งของอันเดียวใช่ปะพิจารณาหน้าตาเหมือนกันพิจารณิจังทุกขังเหมือนกัน พิจารณาแล้วตาสิ่งในหวมดไม่ใช่ไม่ไม่มีตนมีตัวแห้พิจารณาให้เห็นเป็นของ่มีตนมีตัวเป็นของว่างเปล่ามดอันนั่นเรียกว่าดูตาเดี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจ์ทสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขงัง เห็นหน้าเดียวอย่างนี้จึงจะเห็นชัดอันเนี้ยตอนต้ น, น, นตอนต้นต้องต้อ ง, งทำอย่างนี้เะียก่อนตอนต่อไปท่านหากว่าจิตของเรามันเห็นโทษเห็นภัยเบื่อหน่ายเห็นตามเป็นจริงแล้ว กลับคืนมาดูและคะดีดูสองตาละค่ะ้งอ น, นัตตาออานิจังทุกขังนั้นเห็นเป็นสภาวะอย่างคิอทำจิตให้มันลงหน้าเดียวก่อนแล้วยังค่อยกลับังพิจาณาอีกทีละ ให้เห็นเป็นสภาวะอันหนึ่งของมันต่างหากราคานี้มองสองขางสองตาราคาหนี้จริงทนายเกิดให้เป็นอยู่อย่างนั้นสภาพของมาแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นถึงจะพูดหรือไม่พูดก็เป็นอยู่อย่างนั้นใครจะทําให้เกิดก็อะเาเป็นอยู่ตามนี้ตามเรื่องเขง้ามายัง เห็นตามเป็นจริงกายอันพิจารณาเมื่อก็น่าเป็นตามไม่เป็นตา ม, มเป็ น, นจริงหรืออสุภะปฏิกูลเนี่ยพิจารณาอสุภะปฏิกูลเป็นตามเป็นจริงหรือหากจะมีปัญหาถามก็เป็นจริงเหมือนกันคือแพ่งพิจารณากายขอยงเราให้เป็นอสุภะ เปื่อยเน่าปฏิกูลโสโครกนาเกียบมันก็ปิดจริงๆอย่างนั้นแต่มันเห็นนั่นมันเห็นเกินไปตัวงเราไม่เปือ่อยไม่เน่าอะไรหรอกไม่ปฏิกูลถึงขนาดนั่นแต่แพ่ลงไปจนกระทั่งเห็นเปื่อยเน่าปฏิกูลเละมดไปเลย แคได้จริงไม่เปลี่นอย่างนั้นดีๆอยู่นี่แะนั่นเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะถ้าไม่เพ่งถึงขนาดนั้นไม่เป็นถึงขนาดนะั้นไม่เห็นจริงไม่เห็นตาม้ม่ไม่เห็นโทษเห็นภัยของมันจนกรทั่งเบื่อหน่ายสลดสังเวชในใจจริงๆ จึงจะเห็นโทษเห็นภัยคือเห็นโทษในการที่เราเกิดขึ้นมาได้ของปฏิกูลเปื่อยเน่าได้ของปฏิกูลโศกอกทุกจริงทุกอย่างเลยน่าเกลียดกลัวให้มันเห็นจริงอย่างนั้นีดก่อนในตอนหลังนั้น สภาพมันสภาพมันเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหะไม่หรอก็เกินไปแล้วคือก็พิจารณาให้เป็นตามเป็นจริงมันนะผมขนเล็บฟันหนังในกระดูกนี้มันเกิดเป็นของปฏิกูลเกิดขึ้นมาแล้วเป็นของปฏิกูลอย่างผม ที่เกิดกับปฏิกูลโสโครมีกลิ่นเหม็นแล้วก็สันฐานก็เป็นของนาเกียรทั้งที่ตั้งอยู่และที่มันเป็นแต่ก็เป็นของนาเกียรมันมีใครสามารถซึ่งจะรับรองว่าของดีทั้งหมด ก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันถ้าหากมันติดอยู่ในมือในปลายมือปลายเท้าเราก็ดูเหมือนจะเป็นของดีแต่หากว่ามันหลุดตกไปแล้วน่าเกลียดใครจะหยิบของตนเองจะหยิบก็หยิบไม่ได้น่าเกลียด ความั น, นยิ่งแล้วใหญ่อยู่ในปากของเราอาศัยทุกเขี้ยวอาหารจินทุกวันทุกวั น, น, นแต่ว่าหลุดจากปากมาแล้วน่าเกลียดที่สุดให้เห็นตาเป็นจริงอย่างให้เห็นมันไม่มันของโสโครก อ, อย่างนี้เนี่ย แต่หากว่าคันถ้าหากว่าพิจารณาต่างเป็นจริงแล้วโสโคโรกก็สักว่าโสโคโรกแต่ว่าไม่ทําให้ใจไม่ให้รังเกียจเกินไปเห็นว่าเป็นของปฏิกูลจิกแต่ไม่ทําให้รังเกียจไม่น่าเกลียดน่ากลัวเกินไปคือเราได้มาแล้ว มันส่วนในตัวของเราเนี่ยแหละมันมีในตัวงเราแล้วเราจะไปไหนไปไหนคนจำเป็นต้องติดตัวขงเราอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งวันตายเห็นเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเราจำเป็นที่สุดจะต้องรักษาคือไม่ให้เกลียด ไม่กลัวเกินไปคือไม่ให้เกลียดเกินไปเช่นฟันคามาต้ข้าปกกับแปลงมาถูสช่อพยาี่ฟันมัใส่แปลงมาถูสใชะมันเหม็นกลิ่นนะฮมันหายกลิ่นนั้นไปแล้วมันเป็นอีกเรืแปลงอีกอันนี้ปฏิบัติกันอย่างนี้แหละ เพราะมันมีมาแล้วเอาไปให้ใครก็ไม่ได้การที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นผู้มีปัญญาระเห็นเป็นทุกมีอะไรวิาะทุกสิ่นทุกชิ้นทุกส่วนล้วนแต่เป็นทุกข์กับมันทั้งนั้นไม่ทำก็ไม่ได้ ต่อทิ้งไว้มันก็สุขภพโสโคมันจำเป็นจะต้องรักษาจะต้องปฏิบัติเพื่อมาให้เกลียดไมใ่ให้อาหน่าเกลียดเกินไปอันนี้ถ้าหาพิจารณาทั้งสองข้างต้องเป็นอย่างนั้นจริงว่าพิจารณาทีแรกนั้นถ้าไม่เห็นข้างเดีย ว, วยก่พอจริงว่าดูอะไรทช่ไหมเห็นชัด ต้องดีต้องลีบตาเท่านึ่งต้องอดูตาเทานั้เดียวอย่าไปดูสองขางถ้ามันจึงค่อยเห็นชัดตาบุทรชนของคนเราเมื่อมายังมีสิ่งปกปิดคือกิเลส จำเป็นจะต้องดูเพราะมันละเอียดทีทัว่วลงไปให้ดูตาเดียวจนเห็นของปฏิกูลสกุลเบื่อหน่ายจริงจจังคันนี้ย้อนกลับคืนมาสองตาเลยคะันนี้พิจารณาเห็นสภาพตามเป็นจริงของมันอย่างอธิบายมัน้นจนปล่อยวางลงไปได้ ตัวเขาตัวเราเหมือนการมดของพิจิร์เหมือนกันันั้นเนี่นวดอยู่ในกาลนรกในมดเดียกันต้นแต่ของพิจิตร์เดยกันทั้งนั้ น, นก็นกนดดกนอพกกกออยู่ได้ทั้งเมื่อพิจารณาเหตุารนี้ก็อยู่ได้ตามสภาพความเป็นจริงของมันนอกจากนั้นมีแต่จะเกิดสรุดสังเวช เป็นโทษเบื่อหน่ายเป็นโทษทุ ก, ท, กทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นทุกอย่างนี้อาการกลวงมดในวัยรุของเรานังเหมือนกันทั้งนั้นน่ะอันนี้ว่าเฉพาะปัญญาอุบายที่พิจารณาถ้ามันเห็นอย่างนั้น แต่ไหนแต่มีอีกไหนหนึ่งว่าตัวสมาธิไม่มีแล้วพิจารณาเธอแลรวเท่าไหร่ก็พิจารณาเถอมันไม่เห็นหรอกพิจารณาตาเดียวก็ไม่เห็นสองตาก็ไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นอย่างนั้นแล้วเพิ่งเข้าใจว่าไม่มีสมาธิ เพราะฉะนั้นจงอบรมสมาธิแน่นจงอบรมสมาธิมั่นคงสมาธิเป็นของสงคัญมากจะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็ตามสมาธิเป็นบทบาทให้เกิดปัญญารุกภาพระที่คล ทว่ามาได้นั่นเป็นอีกอันหนึ่งบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแต่ว่าสมาธิมีแล้วมีนักแน่นอยู่แล้วไม่เห็นชัดคือมาเองเหรอกผู้ที่ไม่เป็นจึงอย่าไปน้อยใจที่ไม่เป็นอสุภาึงไปน้อยอย่าไปน้อยใจ ผู้ที่เป็นแล้วก็อถ้าหา ก, ก็ไปหลงเพลิดเพลินกับลืมตัวแท้อาจสามารถจะเสื่อมได้เทศนาให้ฟังมาตั้งนมนานตั้งหลายปีมาแล้วไม่ได้เทศอื่นเกยอะไรหรอกแทก็คือให้เห็นใจคือให้รู้ใจ ไห้เห็นจิตเห็นใจเท่านั้นแหละแต่ก็ไม่เห็นสักทีไม่ทราบจะทำอะไรไม่ทราบไปอยู่ไหนคำถามว่าใจมีไหมใจไอ้ ม, มีมีอยู่ไหนที่ว่าทํากลางอกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันไม่ทราบจับตัวใจไม่ได้สัก ท, ที จิตจัดใจไม่ได้มันก็ภาวนาไม่เป็นน่ะสิจะทำยังไงคือภาวนาก็ต้องการหาจิตหาใจนะนะั่นหตัวนั้นเป็นตัวการสำหรับจิตสำหรับใจนะ้เป็นตัวสำคัญที่ทุกที่จะคิดดีคิดชั่วอย่างละเอียดอะไรตา่าง โ, โลมโมทัศน์ธาตะพัดไปรวมในนั้นหมดทุกสิ่งทุ ก, ท ก, ท ก, ทกอย่างตัวจิตเนี่ยและไปเห็นเนื่องแต่อาการของมันตัวจริงๆของมันทแท้นั้นไม่เห็นเลยนั่นน่ยมันยังยากภาวนาอยัางยา ก, ยยากตรงนั้นแหะมันจะยากอื่นไกลอะไรหรอกยากตรงไม่เห็นนั่นะ ถ้าเห็นตัวมันแล้วนั่นผู้คิดผู้นึกผูรู้สึกนี่เป็นตัวใจจะไม่คิดไม่ น, นึกละ่ะให้มีความรู้สึกให้เฉยมันก็หยุดสิมันจะคิดอะไรมันก็หยุดเฉยมันจะไปคิดอะไรนั่นก็สบาย อันนั้นเรียกวาภาวนาเป็นนะอันนี้ยังภาวนาไม่เป็นยุ่งแต่เรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องปรุงเรื่องแต่งแต่งไปเถอะแต่งไปเถะแล้วก็แต่งไปเถอะปรุงไปเถอะนอนหลับมันยังปรุงอยู่มันปรุงรยังไงนอนหลับนอนหลัมันฝันมนะันมันปรุงมันแต่งไป มันคิดมันนึกไปตัวคุณนั้นน่ะถ้าหากว่าเห็นตัวมันแล้วมันจะหยุดนิ่งมันจะไม่ปรุงไม่แต่งอีกต่อไปหากมีความหากว่ามีปัญหาถามมันนิ่งมันไม่มีปัญญา มันจะไม่ใช่คนโง่หรือแตมาข อ, อเลยว่าอันโง่แบบนี้นั่นใครทำได้บ้างลองดูใครทำได้บ้างถ้าไม่ใช่อุบายปัญญาแล้วชาดเขียบแล้ ว, ลวทำโง่ไม่ได้หรอกทำโง่นี้ไม่เป็นหรอก มันต้องฉลาดเชียบแหลมมีวิยาปัญญาในตัวมันจึงสามารถทำโ ง, ง่ได้โง่งนี่ดีนักกีหนาะคิดนึกปรุงแต่งจนไม่รู้จักจนไม่มีที่สิ้นที่สุดบางคนนอนก็ไม่ละกินก็ไม่ได้ จนผอมแห้งสูบชีดผอมแห้งหรือบางคนผูกคอตายคิดฆ่าตนตายอันนั้นรู้วเนีแต่ปัญญาหน่านี่ยน่ะความฉลาดยทั้งนั้นน่ะความฉลาดของคนทังนันอย่างว่าเราแล้วโกรธขึ้นมาองี้จะเอาอะไรจะเปรียบคนอื่นเคดแล้วคิดแล้วกลุงแต่งแล้วแล้วเราเราแต่เขาว่าให้เรา เราจะเอาชนะเขาคิดอยู่คนเดียวปุ่งแต่งคนเดียวทางทางที่เขาก็ไม่ได้โ ต, ต้ตอบกเราเดือดร้อนอยู่คนเดียว น, นั้นในชลาดของคนเราแต่คำแ ต, แต่ผู้มีปัญญาปฏิบัติทําแล้วนะั่งง่ หัดโง่เป็นคือไม่ต้องคิดนึกเอาชนะตนเองไม่ต้องปรุงทองแตะรู้ตัวนั้นเลยหยุดรู้ตัวใจเเลยหยุดเลยสบายเลยคนมีเงินตั้งเป็นล้านๆไม่เกียจยศชื่อเสียงท่วมโลกกต็ต่าง มันสามารถสงบได้ไหมเหรอน่าสามารถระงับได้ไหมไม่ใช่คนโง่หรือมันสามารถระงับได้พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราทำเขาโง่แต่พระองค์ไม่พูดตัวโง่แต่ธรรมาพูดเองโง่แบบนี้ดีนะักสีหนาเมื่อเห็นจิตแล้วนัง่งจับตัวจิตตัวมันคิดมนันนื่องกนใดมันก็ไม่ คิดมาเนี่ยไมปรุงไม่แต่งสิเข้าถึงใจเลยไม่ปรุงไม่แต่งก็มีแต่ความรู้สึกเฉยๆอันนั้นเข้าถึงใจจิตกับใจมันอยู่ด้วยกันจิตในใจ น, นั้นใจน ใ, นในจิตอ น, นั้นท่องเทศสนามานะครับแต่ว่าทําไมจึงเรียกว่าจิตว่าใจเพระเหตุนียจึงเรียกว่าจิตคือคิดนี่แหละผู้คิดผู้นึกนี่แหละ แค่พอ ร, รู้รู้ตัวผู้คิดคู้นึกแล้วเข้าถึงใจเลยครับอยู่นิ่งเฉยในเรื่องของวิเศษอย่างนี้มาฝึกหัดปฏิบัติให้เห็นตัวจิตแล้วจับตัวจิตทําได้คือมันคิดนั้นอาการของคิดเรียกว่าจิตเรียกเรียกว่าอาการของจิตผู้คิดนั้นเรียกว่าจิต ผู้คิดกับไอาอาการของคิดเนี่ยกับไ อ, อผู้คิดกับตัวจิตมันต่างกันอย่างนี้ผู้คิดนั่นเป็นอาการไอเป็นตัวจิตอาการคิดนั่นเป็นอาการของจิตกลองคิดดูสิคนเราน้ะทําการทำ ง, งานจะค่อยปรากฏว่าการงานนั้นนั้น คนฉลาดเฉลียวเถวขับการนั้นแต่ว่าผู้ทำงานทำการนั้นมีตังหาผู้ฉลาดนั้นมีตังหาอาการของจิตที่คิดนั่นน่ะเรียกความฉลาดของจิตจิตก็เหมือนกันมันคิดนึกกำลังปรุงมันแต่งนั่นอาการอาการตัวคิดผู้นึกนั่นตัวจิตขั้นเห็นอย่างนี้แล้ว จับตัวนั้นนะวางตัวคิดนั่นก็วางไปหมดเสีมันแค่ยังเหลือแต่จิตเท่านั้นทีเหลือแต่จิตมันลวงเข้าเป็นใจอาการเชนเน่เรียกว่าพิจารณาโนโรมตามความเป็นจริงไม่ใช่ของเป็นจริงแท้ความเป็นจริงแท้มัน รวมลงไปเองเลยเข้าไป น, นิ่งเฉยอยู่อันนั้นความเป็นจริงแทนอาการพิจารณาอนุโลมนั้นอย่างหนึ่งความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างเมื่อเราพิจารณาทุกวันทุกวันนั้นจะต้องพิจารณาโดยอนุโลมอนุโลมไปอนุโลมไปมันหากเป็นจริงครั้งหนึ่ง ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เอาเพราะอันพ่จะนณาเลย